สายใยระหว่างกายเนื้อกับๆอีกหลาย ทุกเรื่องจะมีการกล่าวถึงสายใยแห่งชีวิตซึ่งเรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า Magnetic Cord หรือ Lifeline เป็นการหน้าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือตามเนื้อเรื่องในหนึ่งสือเรื่องโลกทิปนั้นประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง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 แต่ถึงกระนั้นข้อความที่กล่าวถึง ตามที่ในหนึ่งสือหลายเล่มกล่าวว่าที่ในหนังสือหลายเล่มกล่าวว่า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 จะถูกยิงด้วยปืนถูกที่สําคัญมี เพราะส่วนมากเลยทําให้เข้าใจผิดง่ายในเรื่องการใช้ภาษานี่ มัจจเทมเป 2 เรื่องๆเช่นใน การที่คนเราซึ่งหมายถึงว่าถึงเวลาตายแล้วคนเราก็ต้องตายก็เพราะ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 หรือคือกรรมใด 2 อันที่ในปรัชญาโยคะหรือในหนังสือบาง เรื่องๆซึ่งแต่ถ้าหากคนไหนเข้าใจถึงเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตซึ่งวิญญาณสร้างขึ้นมาได้อธิบายตามข้อเท็จจริง เป็นตัวสังขารซึ่งเช่นสร้างกายเนื้อได้หลายแบบว่าอำนาจสร้างสรรค์วิบาก ซึ่งผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ก็มักจะ นั่นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงแล้วได้ตรงกับความเป็นจริง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 โดยเฉพาะจะต้องพยายามมองให้เห็นว่าสําหรับ จุติแล้วต้องปฏิสนธิอีกคือๆคือ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นได้อยากแห่ง มันกล่าวคือทําหน้าที่ของมันตลอดเวลากล่าวคือสร้าง กายเนื้อที่ยังอยู่ในรูปเป็นพลังๆก็ ก็อย่างน้อยก็ต้องแสวงหา ก็กายเนื้อที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความจงใจของจิตใต้สํานึกมาตั้งแต่แรกนั้นจะต้องจําในบางครั้งที่วิญญาณมีความอิสระแม่นเช่น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 เขาที่อธิบายมามนุษย์ love. เปล่าโอ๊ะแกก็